สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีวานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สองพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้เรียนเสนอไปว่าพระธรรมสุภาษิตนั้นมีจุดประสงค์อยู่สองอย่างก็คือหนึ่งให้มีทักษะทางศีลธรรมคุณธรรมและจริยาวัดสอง ให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดความคิดพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่ได้พูดมานั้นเป็นการท่าสอนของโซโลมอนผู้เขียนสุภาษิตว่าเราจะต้องมีความดีทางสังคมที่สําคัญบางอย่างเช่นความขยันหมั่นเพียรความประหยัดความสุขขุมความซื่อสัตย์ความจริงใจความบริสุทธิ์ความกรุณาสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากซึ่งทําให้เกิดความดี และความดีนั้นจะจะลงสังคมจะลงคอมมูนิตี้คือชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงได้เพราะฉะนั้นคำเตือนต่างๆที่มีต่อสิ่งที่ผิดๆหรือที่เรียกว่าความชั่วร้ายนั้นนะและการมีปัญญาการมีสติปัญญานั้นเป็นหลักการในการนำพาชีวิตของคนเราให้ได้เติบโตขึ้นให้ได้ไปถึงเป้าหมายปัญญานั้น ภาษาฮีบรูใช้คําว่าฮกมาแปลว่าฉลาดครับแปลว่าทักษะครับเพราะฉะนั้นปัญญานี่เองถ้าเรากลับมาดูที่พระกัมพีใหม่อคาทูตเปาโลนั้นได้สั่งให้คริสเตียนดําเนินชีวิตด้วยปัญญาพี่นะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าปัญญานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างประการแรกปัญญานั้นเป็นเรื่องของระเบียบวินัยของชีวิตเป็นระเบียบที่แน่นอนสําหรับชีวิตของเรา เป็นระเบียบที่ทําให้ชีวิตเรานั้นลดความยุ่งเหยิงนะครับลดความสับสนวุ่นวายและเป็นสิ่งที่นําไปถึงชีวิตนิรันดร์ครับปัญญานั้นสามารถนําไปถึงความรู้ในเรื่องพระเจ้าและรู้จักกับพระเจ้าได้ก็นําไปถึงชีวิตนิรันดร์ประการที่สองครับปัญญาไม่สามารถถูกจํากัดความอย่างเรียบง่ายว่าเป็นการประยุกต์เป็นการประยุกต์ หรือปฏิบัติความรู้ที่เรามีอยู่อีกต่อไปแต่ปัญญาต้องถูกพิจารณาในแง่ของแนวคิดกับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าที่กว้างขวางขึ้นพีน่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเดิมทีนั้นสติปัญญาหรือปัญญานั้นถูกจํากัดความในในแง่ของโลกความรู้ทางด้านโลกความรู้ทางด้านทักษะในการชีวิตในการดําเนินชีวิตในโลกแต่ปัญญาที่นี้เราต้องขยาย คำจำกัดความออกไปว่าเกี่ยวข้องกับความคิดในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าครับซึ่งแสดงว่าชีวิตของเรานั้นจะมีระเบียบที่แน่นอนสาหรับชีวิตมีวินัย น, นะครับที่ชอบทําถูกต้องสูงสุดมาจากพระเจ้าครับต่อไปครับพกมากหรือปัญญาประการที่สามหมายถึงทักษะครับความหมายพื้นฐานของว่าทักษะนั่นก็คือว่ามีสกิลมีความเชี่ยวชาญมีความชนานาญ ในเรื่องชีวิตเพราะฉะนั้นคริสเตียนเราควรที่จะถูกคนอื่นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชีวิตประการที่สี่ครับปัญญาหมายถึงการมีทักษะนอกจากทักษะแล้วก็จะต้องประสบความสําเร็จมีประสบการณ์ในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆด้วยและที่สําคัญก็คือว่าปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้นทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวข้องกับองค์ผู้เป็นเจ้าครับเพราะฉะนั้นสติปัญญาที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตนั้นทําให้เราประสบความสําเร็จโดยการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องต่อไปครับเป็นเรื่องของปัญญานั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่แค่รับการศึกษาและมีความรู้แต่ปัญญาคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ความรู้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าทักษะนะครับ แต่ว่าทักษะตรงนี้มีความเพิ่มเติมว่าในเวลาที่ดีและเหมาะสมด้วยพี่น้องครับนี่คือประการที่ห้าเพราะฉะนั้นการมีความเชี่ยวชาญนั้นจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับววราและเวลาด้วยประการที่หกครับปัญญานั้นก็คือคนที่ฉลาดและสามารถที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงได้แต่คนคนหนึ่งนั้น จะประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาทั้งหมดไม่เพียงแต่เขาจะกรอบโกยเข้ามาถึงชีวิตของเขาเท่านั้นแต่เขาต้องให้ออกไปปัญญานะครับนอกจากจะเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งการเลี้ยงชีพจะต้องแบ่งปันไปถึงคนอื่นด้วยหมายความว่าเลี้ยงคนอื่นได้ด้วยคําว่าคนที่มีสติปัญญานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งของสังคมเป็นที่พึ่งของชุมชนประการสุดท้ายครับเมื่อมนุษย์เรานั้นรู้ถึงปัญญานะครับ ก็นํามาซึ่งการประสานการการอินติเกตกันของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เชื่อมโยงนะครับเชื่อมต่อความดีและความจริงเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของปัญญานะครับทั้งเจ็ดประการในวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนนะครับความหมายของคําว่าปัญญาและประโยชน์ของปัญญาในวันนี้นะครับมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันหนึ่งปัญญานั้นทําให้เกิดระเบียบวิ น, นัยอย่เลืมนะครับวินัยคือชีวิตสอง ปัญญานั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติแต่ต้องคิดถึงในแง่ของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าเสด็จปัญญานั้นรวมความครอบคลุมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องพระเจ้าประการที่สามครับปัญญานั้นคือความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญหรือพักษะในการดําเนินชีวิตคริสเตียนนั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวของชีวิตประการที่สี่ครับ ปัญญานั้นมีผลต่อความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคนอื่นและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเราที่มีต่อพระเจ้าประการที่ห้าครับปัญญานั้นจะต้องใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาถูกทางนะครับวาระและโอกาสประการที่หกครับปัญญานั้นจะต้องนำมาซึ่งการให้ออกไป ไม่เพียงแต่กอบโกยเข้ามาแต่เรายังต้องให้ออกไปอย่างมากมายและประการสุดท้ายครับปัญญานั้นจะนํามาซึ่งการประสานกันของความรู้การปฏิบัติเป็นเนจุดเชื่อมต่อของความดีและความจริงทั้งมวลเห็ครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องไขว่คว้าและแสวงหาแต่ปัญญานั้นเริ่มต้นก็คือความจำเกลงพระเจ้าครับปัญญาเริ่มต้นอยู่ที่ความจำเกลงพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในการที่เราจะเรียนรู้จักปัญญาให้มากยิ่งขึ้นและเราจะต้องยอมจำนนเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ประทานสติปัญญาเป็นผู้ที่ประทานปัญญาหรือฮอกมากให้กับเราให้เรามีความเขี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตให้เรามีชีวิตที่ไม่เพียงแต่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงแต่เรายังต้องสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงให้กับสังคมชุมชนของเราเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเราในครับในการที่เราจะรู้จักปัญญาอย่างถ่องแท้ แต่เมื่อเรามีปัญญาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าปัญญานั้นจะเป็นปัญญาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับเราและหลายคนนะครับก็รับปัญญาเหล่านั้นแต่ยังไม่เต็มที่ครบบริบูรณ์ก็ขอให้เป็นคําอธิษฐานของพวกเรานะครับในการที่เราจะขอสติปัญญาจากพระเจ้าในพระธรรมญาติก็บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านรู้สึกว่าขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าปัญหาก็คือว่าหลายครั้งเราคิดว่าเรามีปัญญา แต่จริงๆแล้วเป็นปัญญาของโลกไม่ได้เป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับปัญญาของพระเจ้านะครับก็จะเป็นความรักความปรับปรึ่มใจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็คือเมื่อมีปัญญาของพระเจ้านั้นเราก็จะมีความสุขสงบและสนติภาพเพื่อที่จิตใจของเรานั้นจะเป็นจิตใจที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเหมือนกับมีดวงตาอยู่ในหัวใจ เขามองเห็นสิ่งต่างและเขาจะเข้าใจสิ่งต่างเขาจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างและเขาจะมีหลักการแนวทางการประพฤติออกมาเพื่อที่จะให้ปัญญานั้นเปล่งประกายในชีวิตของเขาเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือของแผ่นดินโลกอเมน